เส ah, ี่งอะไรล่ะนั่งบ้านุกบ้สบายให้เอากนได้ยชัวเหน็ดเนียมากกว่าแตกหลางกันไปพราันบอกเดที่หน้าตายงนาเมลอนบอกแต่เ่งการกินเ้าก็ยังเลื้ยงอีกถึงมันก็เรน็ด ได้ถวาไจานหรือ่ามันเป็มมเขามมเข่าบูกก้างเาออกม่นี่ย่างไมันเป็นผิดเป็นไิดยางมันบเป็นคนแเป็นประโยชน์ทั้็เลือกออกเ่ว่าระเทนเหนะเทือาเ่ว่าระเทพักระเทือนไม่อยางไรมันบกเป็นฝนเป็นประโยชน์ จะเลือกออกินแต่แต่ล <c oughs> ้วันเป็นผลเป็นประโยชน์บาดเ ย, ยี่ยงอาบากาไหลเข้ามาเหยียบใหม่มาเป็นใหม่เอียงจะเอามาเหดดายีโหดใหม่นั้งบ่ดีบ่คงท้นมาปลูกขึ่นฟังขึ่นตั้งคาฮักคาพ่างบวนเลี้ยว โม่มันทงเท้าว่อนไห้ยัเลยเลือกโมันสียออกเปลียออกกบพี่มันมาก็บี่ทําท้าว่อนทแต่นั้นมันแา่มันแย่แต่เลือกไม่ทุกอย่มันเลือกท่านั้นโม่เปนโ่เลือกแล้วแปลงเลยดีเห็นโ่เลือก เอาโอรมันบดอะไรดีข้าวฟนกุ้งฟนเนียวเขาก็นต่องเลี้ยงมันไม่ขี้มกีมาง่าไม่ใบห่าคิดยิ่งจิดผาคิดแหมาเอามาแก่งเลืดแล้วกินบ่ได้ตายเลือกทุกยาผ้านนอก ไพ่หน้ า, ายทบุญพื้นท่านก็เลือกผูกไพ่หนเข้าไปกว่านั้นนางภาวนาเยนาไหน้ายอารมณ์คล่ใจเขาก็เลือกอีกยิงไรคือมันเป็นถอดเป็นไพ่เขาก็ละเว้นหยีเลี่ยงมันหรือห้ามกันคิดว่าให้คิดให้ฟื้นให้เจียวให้ของ มันจะเิ็นคิดไปถึงความดีันบ้เดียวมันจะคิดไปยังไงคิดไปมันจะบึงอันใดก็ดึงไปแล้มันสีดายสีเชียจะสั่งเด็กคุณไปถามหาถ้ามันสิเจริญเจ้าหน้ามันสิยึดทีดีนี่แต่เจ้ามันสีโจสิทั้งยามที่นี่ที่เ้าหน้าเด็ก คนบจะมีหัวใจอยากใดดีมาวัดมาว่ามะจำศีลภาวนาเดิงหัวใจทังเจ้าของวัดเดินสั่นมันเงามันสูงมันตามอย่างไดคิดใจเข้ามาวัดวัดเดินมันอยู่ในหีนในถ้าหรือไม่หรือเหามันไปเลยเลี่ยมยีเดียกันหา ไปในเดือโลกเดือสงสานเขาก็คิดกะอ่านกะวัดมันเบ่งถ้ามนไปอย่างนั้นไปไ้นหอกสิ้นหนอกถ้ำกับบังคาบังฟ้าจะเสียนั่นไปหามกันเอาไว้ใข่จิตเดือดถิ้นเหลี่ยงถ้ำโอรมจิตของตัวอายุในขอบในเขด ทำิดคองตัวให้สงบให้เย็นอย่าให้มันอนมันหม่ยไฟราะไฟโทสะไว้ไฟโมหะความหลอความโกรธความหลงที่หน้าได้นี้ปัญญาใจท้งหัวองก็ใจใทั้งหัก็ยือกเย็น งบลังนะการปฏิบัติตัวคงตัวปฏิบัติศาสนาแต่ที่ปฏิบัติตัวคงตัวเห็นเวลาตัวเหนวี่ซ่อมดีถ้าวี่พูดนุยบริษัดศาสนาวันนี้วันอื่นการสารคองพ้ทธเ จ, จ้าสอนเขามาฮะใจฮะใจขอ ง, ฮขงเฮ้า ชอบ่ยิบบ่ดีอะไทคืออ้นเพินดิบพนดีนั่นคืบเป็นเรื่ผูของือนยูอ้นพินังเพินนู่เหชอบบ่หางเ่นีู่นั่นก็ทุกขกยงอ่ะดียางนั่นใหญน้าหวนใจทั้งเจ้าของอย่างมีศาสนาในตัวอันนี้ก็เจวัดนอก นี่แงจานอกวัว ม, มีพาณ่ายเดอะมันบกขังหายมันบกเย็นหายมันบกเป็นโมฆ้นหายหเบิกสมณะ้ า, าน่ายเบิกจิตเบิใจข้องตัวมีวัดท่านวัดศิลาวัดภาวนาวัาว ด, ดในจิตในใจปวดกายจิเจหน้า ท่านมวัดเป็นอย่างไรเราได้ให้อันใดเราได้ทําอันใดเดี๋ยวเราคิดในเรื่องเรานีคิดทองเทากดีิดท่องเ่าเย็นเย็นยนั่นก็ได้เ็ได้ทําไปแล้วคิดใจั่นิตุ่มใจเกิดหน้าในสั่งน่ำถบุญ อยางคุณความดียางนั่นยังใจมันก็ดีขึ้นไม่ได้คิดแว่าเบ่งไพ่เลยปล่อยเห็นมันไหลไปทุกคนตุ้งแง่ที่จะไหนใจเลยว่ามิข่วนสงบเย็เชียว่มิข่วนเย็นให้เย็เชียส่วนมันเด็กก็สิมันเย็นตรไหนเนี่ยเนาะแล้วมันเย็นบอาไว้ใจเอาแต่จะไส้มาเผาอยู่ของ มันจะ่หนื่งมันห่อนต้องใช้เจ้าให้เหลื่ยเปลี่ยนที่นตีเจ้าในหน้าโ่วาด้านนอกโ่วาด้านในคุณได้สลาดพวานันละได้ความสุขความสบายในรัดได้เสียบโงโลกคนงัวตังหามคือพเหลีอยอันใด ใจว่าโลกมคลื่อกันหมดคนตาบอดมันก็เคยเห็นสีเห็นแสงสว่ามืดบดคนหูหอบมัเคยยื่นเสียมันก็นีอันใดสีให้เลาะอันใดสิหูถึงฟงม่านเขาก็บ่ชเคยยื่นเด็กเสี้ยวหูตันมาแต่จะหนึเกิดขึ้ ตาดีหัวดีปเป็นสัตว์หัจับคนใจดีเชื่อกันคนมีปัญญาเชื่อกันยีน้าเหยียดเส้นตลาดอยู่ในโลกอันหนีน้มันจะมีความุูความสบายหมูอยากอยากจนบมูถูกหมูทรมาน ง, ง, งัวนี้จะเขาโเนียนไปมีสมบัติอยู่แล้วรักษาบัวได้สมบัติไม่ก็บุ้งปัญญาสีสแสงหานี่คือคนโง่แม่หมอกมาดกกดโคกทุ่งงมมนให้รักษาบัวได้จับใจใส่ส้อยคนจี่ ยิ่ัไปหมดยิ่งหานี่ทำไมเราขมต้มไอ้ีคว่ำทุกควสบายก็หาว่ได้นี่คนขาดปัญญาคนมมีความสลาดความสลาดนะสมบัติที่พอแม่หมอบห้มันนีุ่กวยควสละด อยู่หลังกายตัวอันนี้เป็นสมบัติมากไม้ลายหลวงว่ามีสมบัติอันไหนสีทออยู่หลังกายเขาเขาของเงินทองไรหน้าเดือยเสียลบาดสองมันเกิดขึ้นจากเฮา เขามีแต่พิภพเนี้ยน่ร่างกายเื่อนหอยู่แล้วพอหาได้จรงเรานี่ยค็ดว่ามีร่างกายตรรมยัมีข้อหมายอันใดมันแปว่าได้ร่างกายนะ่ะเป็นสมบัติลำคา่ที่พอเมีหามาให้พยายามทาให้มันเกิดประโยชน์พอเมียคนหลวงรับดั บ, บหายไปแล้วมันตายไปแล้ว แต่ส่วนที่อยู่ในเฮ้ามันจะมุยอยู่เอาทาคุณง่ามความดีก็คือเอามุ่นมากระดของพอข้องเมะทำมันสิจดได้นิสงให้จากเฮ้าพอเราทาความดีมีหลุกมีเต่ามีเล้ยมมีล้างต่างคุ้นงามความดีแล้วลึกในถ้ง ลูกผีสางความดียึดใจก็บเบิกบานมันจะเหวี่ชางเนี่ยเรื่องซาดกในเรื่องสรองกินไหวมีวินาหนึงลูกเพื่อไปบวชเป็นพรกเปนเนอจะเนีวัดตายไปจะนรกนั่งไปหมอนรกที่เอเล่าไปโลกลกพอไปเห็นแสงไฟโอ ห่งลี้เลยงลีง้ ง, ง, งที่จะทางลูกคนหน่อยใช่ไหมพอลูกโตก็เลยบวชหลยบวชอย่แล้ ว, ว่พก็เลยปล่อยมาน่ยลูกไปบวชก็ยังห่ามกันนารบกดัดเพราะเราเกิดมาเราได้ให้ลูกเราบวชเรียกเช้นอาในศาสนาระพิจัริ ตัวงานความดีแล้วลึกถึงความดีเนี่ยมันได้ดีมันมีสุขแล้วลึกถึงใช่ไหมส่วนเนี้ยเสียามาันจะไปกันยังสายนาสอนให้คนมีปัญญารักษากายรักษาใจของตนโมเมนตศาสนา เป็นของสัวศาสรล่าโลกโบมันศาสนาโบมีความหมายรับโลกล ม, มันมีความหมายเหตุนั้นบรรพบูรุษโบมีปัญญาบมีศิบิโบมนับถือมากก็เพราะเห็นว่าศาสนาเป็นของสำคัญถี่น้ำโลกให้ใจเล่นล่งเรื่องน้ำโลกให้เหยือกเยน็น ุกคนมีศาสนาโอร่มใจว่าใจใจของตนคนมีศาสนาตัางหากที่เดือดหล่อนวุ่นวหวคนมีศาสนาเหรอว่าเดือดหล่อนว่าวุ่นไาวอยากเย็เยเยนแต่ว่าของที่เอาเขามาคือศาสนาเป็น นั่นเป็นนี็นให้เหลียวตามกำลังตามความสามารถของเขาลูกเจ้าี่เพาว่าบวชว่เป็นเอาคนตัวคนเสียหออบ่บวนอนร้อนบัวได้เอาไปกินไว้วัดไอ้นักอกนักใจสุบาอาจารย์ไอ้ทำายศาสนาเนีอนอย่ยนั่นบม่มี่อ้ในสงให้เพราะสิงที่เขาบวอยากได้ สิ่งที่ห้าบอตองการคนอื่นเพื่นกับบต้องการคนอื่นเพืกับบออยากได้ไปอยู่ไสก็เป็นคิดเป็นไข้สิ่งเี่ห้าวหิ้วหัวหัวอยากได้เอาเงินให้ท่ามไปควรจะว่ามีอะไรเสีงหลายพอาะหัตัดความแต่มีเงวแนน ม่อยากของเข้าได้นี่เขาว่าต้องการขิมออกไปเลยไ่ว่าดอยากได้บ่งมว่าเห็นอะไรตุบมีอันนี้สงสหยคือการทับน้าบุกโดนไลายข้าเข้าขิมออกไปท่มออกไปเนาะตั้เกิดอันนี้สงเอียงแล้วเนี่ยมีเนี่ยว่นเนี่ยหมดว่นิม แ่กบพอจิอ น, นิสงส์ให้เพราะว่านี่ความโง่ความงอันใดได้จริงเรานั้นเกิดัหามันกบตกบวชข้ า, างออกไปบวมมนเทามี้ท่าทีให้บมีเกียตหน้าแต่เท่านี้เจียตหน้าทเขาให้อันใดนั่นก็จะเป็นอานิสงส์ให้ผมีเขามีเจียตหน้ า, า, า, น, น, น, า น, น, นี่คุณค่า เอาววาให้เอาเอาไว้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวซอยที่มันตัดความตอนนี้ตัดความหวงแหนของคิดของใจใเจ้าพระสงสมัยพุทธศ า, าสนานปเป็นนั่ศาสนาท่นบวชปฏิบัติมากเลยความดีความดี เมื่อน ป, ปุ้บคือฏิบัติเดีกก า, าลาลางฮะเงินหาท่องหาเข่าหาขล้องฮจสิ่งไฟนอกได้กินพเพราะอี่างชีวิตเท่านเป็นพ่อหรว่าผููใคของพอเพิ่นเป็นภูมิอุปกตรลาคุณพอเพิ่นบ่ได้ไปท้ำ จริงใจตอบแทนแต่เขาก็ยิ่นดีให้มัน็นใจเกลิ่มใจรับทั้งนั้นบดถือว่าของผู้นั้นดีของผู้นี้สัวขันให้เดียนนั้นใสใจศรัทธาจริงจังเหล่าของเหล่านี้คุ้นขาเท่ากันช่วยให้เรียนศรัท่าให้ด้วยนน้ำใจบมเมนต์ให้เลย เยอบได้คนถือเอาบนหันเป็นเดี่ยวสขั้นสาหรับผู้บาอาจารย์สาหรับผ่านผู้อาจมีถ้ำคนบ่มีอาจมี้ำจึงจำหนี้หันนี้มีอันนดีอันนี้ชัวรทั้งท้งสิเขาอดเาอยากสิให้เขาให้แบบเขาหันเขาไม่มีก็พอได้ไห ฐานะของเขาเย็หน้าแล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นอาเป็นรรมความประพฤติปฏิบัติของเพิ่นสาวก ค, คือกันเป็นเพีงี่ดึงดูดจิตใจของประชาชนคนโลกได้มเมืนคนคน รื่เหนือรืมนตัวโมเมนค้นลกขวรทำล่างยึดใจของคนอืมนความมักหน่อยทันโดดความนี่ระเบียบเรียบร่อยความใส่งอกใส่เงียมเรียบพร้อมบริบูรณ์ในของผู้ชายเจ่า ลูกขับประมาณีกาลูก ป, กกปกกบับประมาณีกาโ้่ศัพทธรรมบับประมาณีกาคือนีความยินดีความสนใจในลูกก็ได้ดูลูกสีสวยสดงดงามที่มีความยินดี ใ, ในยอมใจในสิ่งที่ชาหมอง ผ่า พ, า, ภ า, ภาพรานทนสบายนุงผ่าบางสกุลเกิดที่ว่าเป็นเป็นข้นนี่ถ้ำพระยงนุงได้ว่มามันสวยหรูหลางามกาอันใดสรูปร่างของเพลน ง, งามอยู่แต่สิ่งที่นุ่งที่หมบอสมเพลนี่ละชื่อหลีตันหาเพลนี่คมที จิคมานะคงพ้นได้เพินนี้อาจไม่ถ้ำมันจะถ้ำหลายยางนั่นก็เลียมไสผู้ยิ่งดีไดสิยงสีเสาหมออผู้ยิ่งดีจิได้เสียงสิตไทยละหมุนมนวลมวลหูตะเกียมใสผู้ยิ่งดีในถ้ำสร้างเหตุสร้างผลก็เลียงใสอีเพิ่นจูงคนให้เกียมไสท่า ได้ท th ุกอย่างบม่อบกพ่องคือพวกเฮาพวกเฮาทู่เหมือนมันบกเป็นท้ำนองนั้นไปทางใดกันที่ต่างเจ้าพระพีบ่ายมกอมีบ่าพระพระอลักซี่ยมอก็ยมเดียรกนี ดีบัวได้เลยบ่ากันไปเอาบ่าไปบัวบ่าอย่งันหาอย่นงไรแล้วนี่แต่แก้นผิดเพ้นเขายิ่พูดคุยธรรเด็ยแบงให้นมันทักที่แกหน้าให้มันข้อียกได้ยีดอกโลกอันเพื่นว่า พิวิตมันมอน้อชนอดลิเดอติตังหัวมาขั้นที่ตนะพิริมันงนในโลกอันนี้เลือกได้พวนี้เป็นนิทานเจนาเอาไดอารมณ์ใจที่กันนั่นแะมันเรียบเซ็มเจนา สักษศาสนามีสทำลายมีผู้ญืรักษาหรือพวกที่สืบสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมสทำศาสนาให้อย่างยืนคงทนได้โบมสทำลายศาสนาหรือที่สืบสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่ยคือกันองค์ปุญญสืว่า ทำรายเป็นผู้อื่นถือไหมรักษาเป็นพวกเข้าเนี่ยเขาสิรักษาจังไรศาสนาจีนผิดผิดเจริญท้าวอกล่าวหนาเขารักษาบเรื่องเขาทำร้ายคือหนึ่งปวดเบิ้งสี่แหน้าเบิ้งในใจของเขาในการกระทําของเขา เลมันที่เจน่าดังนึ่คือว่าเป็นภูมิปัญญาแฉะความงหง่ๆเตาตุ่มเหมบอดหายหายไปคุอพวกที่เจน่าเรื่องเราหนึ่งแตนีแตมันคือกาสีฟางคี่เหน็บคม่วง วัวเสียเหียไปเท่านั้นแต่ดีอย่างีุ้กคนเกิดมาในโลกแต่คนที่ทำดีหาความซุก่า หินมันบ่อิีมอยากแต่ผลของมันแต่บ่อถ้เกิดไปมันก็บอกเต็มไปเือนก็ไม่อยากมีบ้านมีเรือนดีแต่บ่ปลูกบ่สางบ่เห็บบ่อถมันก็บออะไรจเขาอยากกินเไมเขาบอปลูกบ่ฟังไหวมันก็บอะไริ้น ความสบายความสงนเยือกเย็นมันตรงนี้เหตุมันจะเป็นไฟมันวนคว่ใหม่คว่ำมันวนวุ่นวายแต่ท้านนั่งเดียวกันมันมีเหตุของมันมันจะหุ่นวายมันจะคัดขอกมันจะเดือดร้อนย่ำเจน่า ใจสอนว่าใจสอนใจของตนคนเจริญหน้าอดเศหายิ่งถิ่นเชิเป็นประโยชน์แก่ตนเจิญหน้าเน้นอนชัดเจนยิงจังเนี่ยโลมมือประเพื่อปฏิบัติทาตามโาวาขององค์พระยาเจ้าทาตามการที่เจแิญหน้าของตัว นั่นมีความฟุ้ความเส่ามเท่านั้นอ่านเอว่าง variance,